มหาชนฟังพระดำรักของพระตถาคตยินดีร่าเริงก็พากันถือดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไหลออกจากรัมมะนะครเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ก็คือหลังจากที่ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเสร็จก็พากันเข้าไปหาพระโพธิสัตว์บูชาด้วยดอกไม้เป็นต้นไหวก้กระทําประทักษิณแล้วเข้าไปยังรัมมะนะครตามเดิมฝ่ายพระโพธิสัตว์ไตรตรองบารมีทั้งสิน้นกระทําความเพียรให้มั่นอธิฐานแล้วลุกจากอาสนะที่นั่ง สังเกตดูนะข้อความในคัมภีร์ท่านเน้นคําว่าอธิฐานมากเน้นคําว่าอธิฐานคําว่าสมาทานมากแสดงว่าตั้งใจจริงๆในการกระทําอันนี้ขึ้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเพราะได้ฟังพระดํารัสของพระพุทธเจ้าใจเย็นแล้วในทันใดนั้นทุกคนเข้าไปหาเรากราบไหว้แล้วกราบไหว้อีกเนี่ยนะเรายึดมั่นพระพุทธคุณกระทําไว้ในใจให้มั่นสุเมธบัณฑิตเนี่ยเวลาเขาปรารภถึงบารมีเขาเนี่ยเจริญพุทธคุณ พวบคู่กันไปนมัสการพระทีปังกรลุกจากอาสนะในการนั้นลำดับนั้นเทวดาในหมื่นจั ก, กรวาลทั้งสิ้นประชุมกันแล้วบูชาพระโพธิสัตว์พูดลุกจากอาสนะด้วยดอกไม้และคล้องหอมอันเป็นทิพย์แล้วเปล่าประกาศคำสรรเสริญอันเป็นมงคลเป็นต้นว่าเทวดาเข้าไปยกย่องเลยนะ ข้าแต่ท่านโซเมศดาบทผู้เป็นเจ้าวันนี้ท่านตั้งปรารถนาอย่างใหญ่ที่บาทมูลของพระทศพลทีปังกรขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จโดยไม่มีอันตรายความกลัวหรือความหวาดเสียวอย่าได้มีแก่ท่านโรคแม้แต่หน่อยหนึ่งอย่าได้เกิดในร่างกายขอท่านจงบําเพ็ญบารมีให้เต็มโดยพลันแล้วบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ต้นไม้ที่จะเพลิดดอกออกผลย่อมเพลิดดอกและออกผลตามฤดูกาลฉันใดแม้ท่านก็จงได้สัมผัส พ, พระโพธิยานอันอุดมโดยพลันยาได้ล่วงเลยสมัยนั้นเลยฉะนั้นเหมือนกันเทวดาทั้งหลายเนี่ยขั้นเปล่าประกาศอย่างนี้แล้วก็ได้กลับไปยังเทวสถานของตนของตนตามเดิม ฝ่ายพระโพ ธ, ธิสัตว์ผู้อันเทวดาสารเสริญแล้วก็คิดว่าเราจักบำเพ็ญบารมีสิบแล้วในที่สุดสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับจักได้เป็นพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วอธิฐานกระทำความเพียรให้มั่นแล้วเหาะขึ้นไปยังท้องฟ้าไปสู่ป่าหิมพานทันทีเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่าเราเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกต่างโปรยปลายดอกไม้อันเป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์แก่เขาผู้กำลังลุกจากอาสนะ ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็ได้รับความยินดีทั่วหน้าความปรารถนาของท่านยิ่งใหญ่ก็คือยกย่องสุเมศบัณฑิตว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยใหญ่ขอท่านจงได้สิ่งนั้นตามที่ท่านปรารถนาไว้ขอสัพพเสนียจันรายจงแคล้วคลาดไปขอโรคภัยจงพินาศไปขออันตรายจงอย่ามีเกิดแก่ท่านเถิดขอท่านจงได้รับสัมผัส พ, พระโพธิญาณโดยพลัน ข้าแต่ท่านพระมหาวีระขอท่านจงเบิกบานด้วยพระพุทธญาณเหมือนต้นไม้ที่มีดอกเมื่อถึงฤดูการก็จะเผลิดดอกฉันนั้นเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งพึงบำเพ็ญบารมีสิบให้เต็มเปี่ยมฉันใดข้าแต่ท่านมหาวีระขอท่านจงบำเพ็ญบารมีสิบให้เต็มเปี่ยมฉันนั้นเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งตรัสรู้ที่โพธิมณฑลฉันใด ข้าแต่ท่านพระมหาวีระขอท่านจงตรัสรู้ที่โพธิมณฑลของพระชินเจ้าฉันนั้นแลก็อวยพรให้ยกใหญ่เลยนะเทวดาและมนุษย์เข้าไปให้พรแก่พระโพธิสัตว์กันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งทรงประกาศพระธรรมจักรฉันใดขอท่านจงประกาศพระธรรมจักรฉันนั้น พระจันทร์ในวันเพ็ผ่องแผ่ย่อมรุ่งโรธฉันใดขอท่านจงมีใจเต็มเปี่ยมรุ่งโรธในหมื่นโลกธาตุฉันนั้นเถิดพระอาทิตย์ที่พ้นจา ก, กราหูแล้วย่อมแผดแสงด้วยความร้อนแรงฉันใดขอท่านจงปลดเปลื้องเรื่องโลกีออกแล้วสว่างสวัยอยู่ด้วยสิริฉันนั้นนั้นเถิดแม่นม้ำใดๆก็ตามย่อมไหลไปลงทะเลใหญ่ฉันใด ขอชาวโลกพร้อมทั้งเทวดาจงรวมลงที่สำนักของท่านฉันนั้นเถิดในการนั้นเขาอันเทวดาและมนุษย์ชมเชยและสารเสริญแล้วยึดมั่นบารมีทำสิบเมื่อจะบำเพ็ญบารมีธรรมเหล่านั้นจึงเข้าไปสู่ป่าหิมพานจะลืมว่าบารมีเนี่ยสิบอย่างเนี่ยนะบารมีทั้งสิบใช่ไหมไม่ได้บำเพ็ญบารมีก้อเดียว อ, ะอ่ะอในการบำเพ็ญบารมีสิบเนี่ยถามว่าจะบำเพ็ญพร้อมกันทีเดียวเลยใช่ไหม ก็เหมือนกับเราสมาทานศีเนี่เราจะต้องโอ้ทีแรกก่อนงดเว้นจากฆ่าสัตว์ก่อนใช่ไหมพอเวลาประพฤติจริงๆอ่ะไปเกี่ยวข้องที่จะให้งดเว้นอะไรก็งดเว้นสิ่งนั้นแหละไม่ได้ว่าจะทำหนึ่งสองสามสี่อะไรหรอกแต่ว่าสมาทานเนี่ยสมาทานตามลําดับแต่การปฏิบัติไม่ได้เป็นตามลําดับนั้นหรอกเพราะเวลาการปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะพอเจอเวลาเรื่องศีนก็ต้องรักษาศีนเกี่ยวข้องกับเรื่องเมตตาก็ว่าเมตตาเกี่ยวข้องกับเรื่องคันติก็ว่าคันติเกี่ยวข้องกับเรื่องสัจจะหรืออธิฐานเนี้มันก็คละเข้ากันไปหมดนั่น รวมๆกันหมดไม่ได้ว่าจะต้องทำอันนี้หนึ่งของสามสี่อะไรหรอกแต่ที่ท่านเรียงทานศีลเป็นต้นก็ด้วยเหตุผลบางประการที่พระองค์กล่าวถึงเรื่องทานเป็นต้นซึ่งในรายละเอียดของบารมีสิบเนี่ยนะคงจะเริ่มเป็นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะจะได้กล่าวถึงเรื่องของบารมีสิบโดยละเอียดจะเริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้าต่อไปเพราะว่าตรงนี้ก็กล่าวถึงผู้ที่ตั้งใจเด็ดเดี่ยวสมาทาน ส่วนที่จะปฏิบัตินั้นเขาปฏิบัติอย่างไรมีอัธยาศัยอย่างไรในขณะปฏิบัติซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันต่อไปตามอัตถกาถาจริยาปิฎกคําว่าจริยาก็คือบารมีนั่นเองในจริยาปิฎกกล่าวถึงลักษณะหรือเรียงปกินณกะคาถาเกี่ยวกับเรื่องบารมีซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปแต่ได้เห็นว่าเออพระโพุทธศาสนาเนี่ยก่อนที่ท่านจะบําเพ็ญบารมีแต่ละชาติแต่ละอย่างที่ดูยากเหลือเกินทําไมท่านทําได้ เพราะท่านสมาทานเอาไว้ตั้งนานและท่านจึงทําได้เพราะในที่สุดชีวิตของท่านก็ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆซึ่งเราก็ได้ประจักษ์แล้วใช่ไหมว่าคําสอนของพระ อ, องค์นั้นเป็นคําสอนของพระ อ, อรหันตสตัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บําเพ็ญพระบารมีมาแลว้วท่านใดมีปัญหาที่ชนบวชสการถามข้อเรียนเชิญนะครับเ อ, อ, อุเบกขาในชามนี่แหละอุเบกขาในชานีานานน้ก็ อุเบกขาเอกะขะตาเนี่ยนะเอกคตาตรงนั้นเนี่ยองค์ทำได้แก่อุเบกขาเวทนาหรือตัตตะมัชตตาอุเบกขาเอกะขะตาสหิตตังปัทมะอากาสานันจายตนะจิตตังกุศลจิตตังวิปากาจิตตังกิริยาจิตตังองค์ทำได้แก่อะไรอาจาร์ติงอุเบกขาตรงนั้นได้แก่ตตตะมัชตตาข้างหลังเขาตอบละอ่าแล้วขณะนั้นก็อุเบกขาเวทนาด้วยแต่ว่าอุเบกขาในในนั้นได้แก่ตตตะมัชตตา แต่ก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละทั้งตัตะระมัชตะตาด้วยทั้งอุเบกขาเวทนาด้วยมาหากุศลอยู่แล้วเป็นเรื่องของกุศลธรรมอยู่แล้วต้องมีตัตะระเกิดร่วมด้วยนั่นแหละปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณแล้วก็พระบริสุทธิ์ที่คุณในพระคุณสามอย่างของพระผู้มีพระภาคนั้นพระคุณเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแตนเปี่ยมบริบูรณ์ ต่อเมื่อพระองค์ได้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ก่อนหน้านั้นช่วงที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีอยู่พระคุณเหล่านี้พระองค์ก็ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นแต่ในชั้นต้นเลยพระคุณคือพระกรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณเนี่ยนะในพระคุณทั้งหลายเหล่านี้พระองค์ได้สมาทานให้เกิดขึ้นมาก่อนการสมาทานที่จะประรบ คุณธรรมทั้งหลายมีพระบริสุทธิ์พระกรุณาและพระปัญญานั้นที่จะบริบูรณ์ได้ก็อาศัยการบําเพ็ญบารมีเพราะว่าพระคุณทั้งสามประการนั้นถ้าหากว่าไม่มีบารมีเกื้อกูลแล้วพระคุณทั้งสามประการก็จะไม่บริบูรณ์เต็มที่ต่อเมื่อพระองค์ได้บําเพ็ญบารมีทั้งสิประการพระคุณทั้งสามประการคือศีลคุณสมาธิคุณและ ปัญญาที่คุณจึงได้บริบูรณ์พระมหากรุณาธิคุณนั้นก็ทรงแสดงออกมาในรูปแบบของพระพระวินัยปิฎกบ่งถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นประธานเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ที่ขาดกรุณาจริงๆแล้วไม่สามารถที่จะคอยตามโอวาทคอยตักเตือนคอยห้ามคอยปรามคอยชี้แจงว่านี่มีโทษมากนี่มีโทษน้อยนี่ ไม่ควรทำนี้ควรทำการที่ตามห้ามบางอย่างเนี่ยนะเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต้องหลุดออกจากพระโอษ์ของพระผู้มีพระภาคแต่ก็ต้องหลุดออกมาเพราะว่าอาศัยพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างในพระวินยัยปิฎกเกี่ยวกับเรื่องปราชิกเรื่องสังฆาริเศษพวกพระภิกษุที่เป็นปุตุชนทั้งหลาย ได้ประพฤติรูปแบบย่อย่างที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในศาสนาได้ไปทำตัวให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ส่วนตัวหรือว่าได้ทำความเสียหายให้แก่ส่วนรวมอาศัยพระมหากรุณาธิคุณเหล่านั้นพระองค์ก็ตามบัญญัติพระวินยัยรู้ความเหมาะสมว่าอันนี้โทษหนักนี้โทษเบาเป็นต้นอันนี้อาศัยพระมหากรุณาธิคุณซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญญัติพระวินยัย แล้วพระมหากรุณาเหล่านั้นก็อยู่บนพื้นฐานของพระปัญญาอยู่บนพื้นฐานของพระบริสุทธิ์ที่คุณถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีปัญญาถึงจากกรุณาก็ไม่สามารถที่จะบัญญัติพระวินัยออกมาได้เพราะฉะนั้นพระวินัยปิฎกทั้งหมดอาศัยพระมหากรุณาที่คุณของพระผู้มีพระภาคส่วนพระสุตันตปิฎกอาศัยพระบริสุทธิ์ที่คุณบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐิไม่มีมานะเจือปนเลยบ่งถึงความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสปราศจากม่นทินทุกอย่างบริสุทธิ์ผุดพองหมดเลยก็คือคุณอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงสแสดงออกมาในรูปแบบของพระพระสูตรแล้วพระปัญญาที่คุณของพระผู้มีพระภาคที่ทรงสแสดงออกมาก็ที่เราเห็นก็คือพระอภิธรรมพระอภิธรรมนั้นบ่งถึงพระปัญญาที่คุณอย่างเต็มที่ แต่ก็อาศัยพระมหากรุณาธิคุณนั่นแหละทำให้พระองค์ได้ส่งแสดงออกมาในพระคุณทั้งสามประการก็จะแสดงออกมาในรูปแบบของพระไตรปิฎกผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกก็จะเห็นพระคุณทั้งสามประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งพระกรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาธิคุณในพระคุณทั้งสประการนี้กว่าจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สามาที่จะจำแนกแจกแจงเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ หมู่ประชุมชนเหล่าสาัตว์ทั้งหลายนั้นทองก็อาศัยการบําเพ็ญบารมีก็คือความรู้ความสามารถของพระผู้มีพระภาคนั้นไม่ได้เป็นอยู่ๆและเกิดขึ้นเลยแต่เป็นสังขารธรรมเป็นสังขตธรรมเป็นธรรมที่ได้รับการอบรมได้รับการบ่มได้รับการประพฤติได้รับการบําเพ็ญมาอย่างบริบูรณ์ทำมาที่ช่วยเกื้อกูลให้พระองค์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรียกว่าพุทธการ ะ, ะธรรม การกาเนี่ยแปลว่าทำนะกรระกาในการกเนี่ยคือผู้ทำอ่ะผู้ทําพุทธคือทำธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าังั้นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือบารมีนั่นเองผู้ที่จะได้บําเพ็ญบารมีจริงๆก็ต้องได้รับพุทธพยากรณ์มาก่อนแต่ว่าก่อนที่จะได้รับพุทธพยากรณ์นั้นผู้ที่เป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็ได้ตั้งความปรารถนา ได้ตั้งความปรารถนาในใจอย่างเดียวก็เจ็ดอสงไขยเฉพาะพระผู้มีพระภาคของเรานี้ได้ตั้งความปรารถนาตั้งความคิดท่านคิดว่าเมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านจะให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยท่านคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็ทําบา ร, รมีไปทําบุญให้ทำรักษาศีลก็มีแนวความคิดแบบนี้เจ็ดอสงไขยด้วยกันหลังจากนั้นท่านก็ทําบุญไปด้วยตั้งความปรารถนาไปด้วยเปล่งออกมาเป็นวาจาแล้วว่า ถ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยท่านก็ทําบุญไปบําเพ็ญบารมีไปแล้วก็ใช้เวลาอีก้าอสงไข่รวมสิบหกอสงไข่ก็เลยประชุมธรรมะเรียกว่าธรรมะสโมโธฐานแปประการหรืออภินิหารเนีย่ยนะอภินิหารก็คือความปรารถนาหรือมูลปณิธานอภินิหารหรือความปรารถนานั้นจะได้รับพุทธภยากรอย่างแน่นอนก็ต่อเมื่อมีธรรมะแปประการก่อน เรียกว่าประชุมธรรมะ8ประการก็จะได้รับพุทธภรรยกรจากพระผู้มีพระภาคเมื่อได้รับพุทธภรรยกรแล้วถ้าหากว่าท่านเป็นพระพระโพธิสัตว์แบบปัญญาธิกะท่านก็บรรมณญบารมีสี่อสงขขยเศษอีกแสนกัปถ้าท่านเป็นพระโพธิสัตว์แบบประเภทศรัทธาธิกะท่านก็บรรมณญบารมีอีกแปดอสงขขยแสนกัปถ้าหากว่าท่านเป็นพระวิริยาธิกะท่านจะบรรมณญบารมี ส6หอสงไขยแสนกัเพรันในช่วงที่กำลังบำเพ็ญบารมีก็คือเริ่มเป็นการบ่มบ่มพระคุณทั้งสามอย่างให้เปี่ยมล้นบ่มกรุณาให้สุขเต็มที่บ่มพระปัญญาให้มีความรอบรู้บ่มพระบริสุทธิ์ให้หมดจดจากกิเลสเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นเครื่องบ่มบ่มอะไรในที่นี้บ่มบารมีบารมีอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนั่นแหละก็บ่มสภาพจิต ค่อยๆพัฒนาความคิดขึ้นจากความคิดในระดับสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปกลายเป็นความคิดที่หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสารทั้งหลายซึ่งก็ต้องใช้เวลาครั้งที่แล้วเราก็ได้กล่าวถึงว่าพระโพธิสัตว์หลังจากที่ท่านประชมธรรมะแปดประการมีมนุสส ต, ตังลิงค์ัมปติเหตุสัทธารถสนัง น, นะนะมีการเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุรุษเพศเป็นนักบวชได้เห็นพระพุทธเจ้า เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณแล้วก็มีอธิการการกระทำอันยิ่งใหญ่สละชีวิตถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์และท่านมีฉันทะอย่างแรงกล้าที่ตั้งใจเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามทีปังกรก็ได้ทรงพยากรณ์ว่าฤาษีท่านนี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วท่านก็กยิมดีใจแลวก็ ปรารบว่าการที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องมีการบำเพ็ญบารมีเรียเรียกว่าธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เละเริ่มสอบสวนหาว่ามีธรรมะอะไรบ้างที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีธรรมะอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ทันเราเคยคิดกันไหมว่าของเราเนี่ยปรารถนาความพ้นทุกข์ เราเคยทบทวนไหมว่าธรรมะอะไรที่ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆเราเราเคยคำหนึ่งไหมถ้าพูดบอกโอ้เราทั้งหลายเนี่เบื่อหน่ายในสังสารวัฏเบื่อหน่ายในสังสารทุกขการเกิดการแก่การเจ็บการตายอทุกแต่ละอย่างนี่มันทุกข์อยากจะพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นเหลือเกินเออแล้วธรรมะที่จะทําให้พ้นจากกองทุกข์เหล่านั้นคืออะไรเราเคยสอบทวนไหมสอบสวนถามหาในตัวของเราว่าจะหาได้ในส่วนไหน ความพ้นทุกข์อันนั้นเนี่ยหาในส่วนไหนในตัวเราพระโสมเสดบัณฑิตก็เหมือนกันพอท่านได้รับพุทธพยากรรู้ว่าท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็สอบสวนถามหาเลยว่าธรรมะที่ทําให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่อยู่ที่ไหนอยู่ในทิศตะวันออกใช่ไหมไม่ใช่อยู่ทิศตะวันตกใช่ไหมอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทิศเฉียงออกเฉียงเหนือเฉียงตกเฉียงใต้หรือเปล่าไม่ใช่ อยู่ในที่ข้างบนไหมไม่ ง, งั้นอยู่ในท้องฟ้าหรือเปล่าธรรมะที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าหรืออยู่ใต้แผ่นดินใต้มหาสมุทรอยู่ที่ไหนธรรมะเหล่านั้นท่านก็บอกเออธรรมะเหล่านั้นอยู่ที่ใจของท่านอ่าแล้วใจแบบไหนล่ะจึงจะเป็นใจที่สามารถทําให้เกิดการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าของพวกเราทั้งหลายใจชนิดไหนจึงจะทำให้บรรลุอ่าได้บรรลุอริยสัจบ้างอ่ะต้องเป็นใจที่เป็นไปกับกุศลศีล อย่างไรก็ตามการไปสู่ทิศที่ไม่ตายเนี่ยนะถ้าพูดอุปมาเปรียบเทียบเหมือนกับการเดินทางเดินทางด้วยรถเนี่ยนะก็ต้องเป็นรถเจ็ดพลัดถามว่าการเดินทางเหล่านั้นเดินที่ไหนนั่งรถไปกรุงเทพก่อนใช่ไหมจากกรุงเทพต่อไปภาคใต้ต่อใต้ไปมาเลเซียแล้วไปลงข้าวน้ําไปเกาะฟิลิปปินไปสิงคโปร์ไปนั่นหรือเปล่าจะได้ไปแบบนั้นไม่ใช่ไปที่ไหนดังั้นการบําเพ็ญกุศลธรรมก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละ ใจนั้นจะต้องเป็นการเดินทางเจ็ดชั้นเจ็ดระดับด้วยการจึงจะเกิดการตรัสรู้ทำได้ในใจของเรานะจะต้องผ่านประมาณเจ็ดขั้นใหญ่ๆการเดินทางทางความคิดพอ mm hmm. นั่งอยู่ที่เดียวนั่นแหละโดยอิรยาบถไม่ต้องไปขยันมากนักหรอกเดินจนเลือบอาจมันก็ไม่ได้บรรลุหรอกถ้าไม่เข้าใจจริงๆมันก็อยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจแต่ว่าความเข้าใจอันนั้นเข้าใจอย่างเดียวก็ไม่พอ ความเข้าใจอันนั้นเป็นสมาธิฏฐิเบื้องต้นก่อนเมื่อมีความเข้าใจให้รู้ก็บําเพ็ญจะตุปปาริสุทธิที่ศีลให้บริบูรณ์ก็จะเริ่มมีการเดินทางผลัดที่หนึ่งแล้นะเมื่อศีลวิสุทธิที่บริบูรณ์ก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิก็จะบริบูรณ์เมื่อจิตตวิสุทธิบริบูรณ์ก็จะทําให้ทิฏฐิวิสุทธิบริบูรณ์ก็เริ่มเดินทางไปลักษณะนี้ เมื่อมีความรู้ความเห็นที่ถีวิสุธทธิที่บริบูรณ์ยังเห็นทุกข์ัตตามความเป็นจริงก็ก้าวข้ามพ้นความสงสัยสามารถที่จะรู้สมุทัยแห่งทุกข์ข้ามวิจิกิจชาได้อันนั้นเขาเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุธทธิเป็นรถผาตที่สี่เมื่อเดินทางไประดับนั้นแล้วก็จะเริ่มมีสองทางให้เลือกแล้วมีทางเบี่ยงแล้วมีทางตีครูแล้วนะี ถ้าเลือกไม่ดีก็ผิดทางพวกวิปัสสนูปกิเล์โอภาษ์เป็นต้นก็จะเกิดขึ้นบางท่านก็นึกว่าอได้มาผลนิพพานไปแล้วนั่งแสงสว่างูุ้บว่าอะไรเงี้ยนะเกิดฉันทะเกิดปีติเ อ, อื้ออิ่มขึ้นมาก็นึกว่าใช่เลยที่ไหนแน่ยังก็สา ม, มารถรู้อะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางแล้วก็เลือกทางได้อันนั้นก็เป็นการเดินทางขั้ที่ห้า สามารถรู้ว่าเออนี่เป็นทางนี้ไม่ใช่ทางเรียกว่ามัคคามัคคย า, านัศนวิสุทธิแล้วก็เดินทางต่อไปเมื่อเลือกตัดสินใจทางที่ถูกต้องเขาเรียกว่าปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิก็เดินทางจนถึงจุดหมายปลายทางคือทัศนวิสุทธิสามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจถามว่าดูเหมือนกับมีใครไปเดินทางอยู่ที่นั่นที่จริงมัเป็นเรื่องของอะไรสภาพของ มหากุศลจิตที่เกิดขึ้นได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากมหากุศลจิตชั้นธรรมดามีศรัทธาในพระธระไตรแล้วฟังโอวาทอนุสาสนีของพระ อ, องค์อย่างบริบูรณ์แล้วก็มีการประพฤติจตุปริสุท ธ, ธิสินบริบูรณ์เนี่ยนะตามแต่โอวาทเพราะอย่าลืมว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นโลกุตระธรรมเป็นสารณะธรรมแต่เป็นธรรมะที่เราต้องน้อมใจไปหา ส่วนมรรคผลมรรคกับผลเนี่ยนะควรน้อมให้มีในใจของเราส่วนพระนิพพานเนี่ยควรที่เราน้อมใจไปหาโดยความเป็นอารัมมณปัจจัยท่านการเจริญกุศลธรรมก็จะต้องมีการเพิ่มพูนพอกพูนพัฒนาขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของกุศลธรรมในภายใ น, ในใจของเราเมื่อเรามีความเข้าใจยอย่างนั้นก็สา ม, มารถที่จะเห็นว่าเออการตรัสรู้อริยสัจนั้นจะต้องมีการเดินทางในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน ตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็รู้ว่าเออธรรมะที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นน่ะจะต้องดําเนินตามนี้ดําเนินตามไหนของเราบอกว่ารถเจ็ดลักใช่ไหมทําให้เกิดการตรัสรู้อริยสัจจะทำแต่ของพระผู้มีพระภาคนั้นถ้าตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านต้องเดินทางใช้อุปกรณ์สิบอย่างในการเดินทางเหมือนกันเถอะในการบําเพ็ญบารมี ธรรมาที่เกื้อกูลในการบำเพ็ญกุศลธรรมของท่านก็คือบา ร, รมีนั่นเองนับตั้งแต่ทานศีลเนคคัมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาอันผู้ที่มีธรรมะทั้งสิบประการก็สามารถที่จะถึงฝั่งคือพระนิพพานสามารถที่จะสึงฝั่งแห่งโพธิญาณได้คำว่าโพธิญา น, นั้นเป็นชื่อของมรรคยานสามารถที่จะตรัสรู้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 เมื่อเกิดการบรรลุเข้าถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แแล้วก็จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นยังไงเป็นไงอีธ า, า, าะทาคโตโลเกวังันพระตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เนาะอรหังเป็นพระอรหันต์ก็สามารถที่จะมาประกาศเปิดเผยจำแนกแจกแจงอริยสัจธรรมให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติกันต่อไป ในเรื่องของการเรียนบารมีทั้งสิประการนั้นน ะ, น ะ, นะในอัตกถ า, าเจริยาปิฎกท่านก็ได้จำแนกอธิบายไว้ก็เลยได้คัดเอามาพิมพ์เพื่อที่สะดวกในการศึกษาแก่พวกเราทั้งหลายต่อไปแต่ทีนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องเกี่ยวกับบารมีสิเราก็ควรที่จะฟังเรื่องอนุปุพิกถาซะหน่อยเพราะว่าอนุปุพิกถานั้น เป็นคําสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงตามลําดับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ละทิ้งเลยอย่างกล่าวถึงพระพระทีปังกรเหมือนกันหลังจากที่พระองค์ได้พยากรณ์สมเมด็จบัณฑิตแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปในเมืองเข้าไปเมืองรัมมะวดีรัมมานะครพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อเข้าไปในเมืองพร้อมกับภิกษุสงฆ์ประชาชนก็ได้ถวายทานไปถึงหมู่ประชาชนก็ได้ถวายทานทำบุญกับ พระพระพิสุสอ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกนะคนยุคนั้นเขามีบุญเนาะเขาได้ทําบุญต่อหน้าของพระศาสดาได้ทําบุญต่อหน้าพระพิสุสงอ์ผู้เป็นพระอริยบุคคลที่เป็นพระอรหันต์หมดกิเลสได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ทําบุญกับพระอริยสงฆ์ผู้เก้าล่วงปะปัญจะทำธรร ม, มะที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าบุญเหล่านั้นก็นับว่าเป็น ท่อทานแห่งบุญแห่งกุศลกะคำนวณประมาณไม่ได้ว่าบุญมีจํานวนเท่านี้บุญมีประมาณเท่านั้นหลังจากที่พระผู้มีพระภาคทรงสเสวยเสร็จชักพระหัตต์ออกจากบาทประชาชนก็บูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้นอีกแด่พระศาสดาถวายบังคมและก็อยากจะฟังอนุโมทนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังจึงเข้าไปนั่งใกล้ๆฉันต้นก่อนใช่ไหมเข้าไปนั่งใกล้พระศาสดา ภาษาสดาก็ทรงทำอนุโมทนาอันไพเราะอย่างยิ่งจับใจอุบาสกเหล่านั้นว่าท่านก็แสดงเป็นอนุบุพิกถาโออธรรมดาทานธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลยคือทานเนี่ยนะทานนี่ธรรมดามันเป็นยังไงก็บอกว่าท่านกล่าวว่าเป็นต้นเหตุสําคัญของสุขเป็นต้นธรรมดาเข้าเนี่ยเมื่อบุคคลใดที่เกิดการให้ทานนี่อยู่ที่ไหนทานคืออะไรก่อน ทานานางทานนะเจตนาเกันทานเนี่ยหมายถึงเจตนาที่เสียสละวัตถุนั้นออกไปแต่ว่าตัวทานจริงๆเน้นที่ไหนเน้นที่กุศลจิตอ น, นั้นที่ให้ไปให้ของที่ไม่มีโทษออกไปเนี่ยนะเจตนาที่เป็นให้เจตนากรรมอ น, นั้นเนี่ยนะเป็นบุญที่มีความสำคัญมากต่อความสุขเพราะฉะนั้นเราคิดดูนะว่า คนทั้งโลกนะยิ่งยุคนี้ด้วยที่เขาได้รับความทุกข์จริงๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือทุกข์เพราะไม่มีทรัพย์สินเป็นต้นทุกข์เพราะไม่พอจะอยู่พอจะกินพอจะจับจ่ายใช้สอยความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยนะที่เกิดการสแสวงหาเน็ดเหนือยอับเหงือต่างน้ําเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมความทุกข์เหล่านั้นเพราะเขาไม่ได้ให้เพราะไม่มีธรรมดาคือการให้นไม่ได้ทําเหตุอันนั้นไว้าก็ต้องมาทุูเพราะ ต้องเกิดการสแสวงหาปโยคะเต็มที่เพื่อไปดึงไอ้บุญนิดๆหน่นนอยๆในอดีตชาติเนี่ยนะซึ่งทำไว้ตั้งสมัยไหนก็ไม่รู้มาปโยคะกันหน้าดูเลยเพื่อที่จะเรียกร้องเอาบุญอนนั้นคืนมาบุญก็ทำไว้ไม่รู้ทำไม่มากขนาดไหนก็ไม่รู้แต่เขาไม่เคยคานึงถึงเหตุแห่งการให้ให้เนี่ยมันเป็นต้นเหตุแห่งความสุข เป็นต้นเหตุแห่งทรัพย์เป็นต้นเหตุแห่งความมั่งมีพวกทรัพย์เนี่ยเขาไม่เคยคํานึงเลยนะว่าที่จริงเขาน่าจะร้องเรียกหาจากเจตนาของเขาแต่เขาไปร้องเรียกหาวัตถุจากสิ่งอื่นๆจากวัตถุภายนอกทั้งสแสดงว่าไม่ได้มีความเชื่อมั่นในหลักกรรมเท่าไหร่ใช่ไหมก็เลยสแสวงหาจากข้างนอกสะส่วนใหญ่แต่อย่าลืมนะว่าพาเนี่ยอยู่ที่เจตนาในภายในแต่เจตนานั้นอย่าลืมว่าเจตนาอย่างเดียวพอไหมพอไหมไม่พอนะ ขันเจตนาก็ต้องประกอบไปด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบไปด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยฮีริโอต ป, ปะประกอบด้วยปัจัตธิเป็นต้นเนี่ยนะจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมอย่างอื่นๆเจตนาให้นี้ดีและควรที่จะเพิ่มพูนศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาไปร่วมให้เพิ่มพูนให้บริบูรณ์มากขึ้นด้วยนั้นเจตนาให้เนี่ยนับว่าเป็นประธานของกุศลธรรมทั้งหมด กุสสรธรรมทั้งหมดที่เกิดตาลภให้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปัญญาสติหิริโอตปะต่างๆเหล่านั้นก็นับว่าเรียกว่าให้เหมือนกันเป็นกุศลธรรมเหมือนกันแล้วท่านบอกว่าเป็นต้นเหตุแห่งความสุขยังกล่าวว่าเป็นที่ตั้งแห่งบันไดทั้งหลายที่ไปสู่พระ น, นิพพานทานเนี่ยนะเออใครบอกว่าโห้ยมรรคผลนิพพานเนี่ยต้องวิปัสสนาอย่างเดียวจึงจะ บ, บรรลุได้อันนั้นมันเป็นเรื่องปลายแ ล, ล้ว ใช่การบรรลุอริยสัจนั้นจะต้องด้วยวิปัสสนาแต่ถ้าคนไม่เคยให้ทานมานะไม่เคยให้ทานไม่เคยสร้างบารมีมาก่อนน ะ, จะเจริญวิปัสสนารไรข้าวไม่พอจะกินเลยเชื่อบางคนเนี่ยปัญญาดีนะแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยลำบากไม่มีเวลาพอที่จะศึกษาธรรมะหรอกทานก็ไม่เคยให้ไม่เคยทําบุญไว้แล้วเนี่ยนะชีวิตเนี่ยอยู่เป็นทุกข์จริงๆ ถึงเขาจะมีความรู้ความสามารถขนาดไหนก็ตามมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเล่าว่าพวกนั้นมันทําแต่ปัญญาบารมีไม่เคยทําทานะบารมีเขาว่าเพราะฉะนั้นพวกนั้นฉลาดแต่ว่าไม่พอกินมันจะต้องไปอาบเหงื่อต่างนะ้ามีความรู้แต่ว่ากว่าจะหาพอกินนี่ก็ทุกก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยทําแต่ทานะบารมีแต่ไม่ได้ทําปัญญาบารมีเขาว่าเอาสุดโตง่งโดด โ, ด, ด, โ ด, ดอย่างเดียวคำว่ากั้นพวกนี้นรู้อย่างเดียวแต่ไม่รู้อะไรสักอย่างเขา มันก็เลยกลับหัวกลับหางมันเห็นค่ากันคนละอย่างแต่ที่จริงมันก็ควรจะสมดุลกันใช่ไหมเพราะว่าบารมีสิบอย่างเนี่ยนะทานก็เป็นบารมีปัญญาก็เป็นบารมีทัานควรที่จะเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ควรที่จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเกินไปอาหารเนี่ยนะถ้าใช้รสเค็มมากมันก็ไม่ดีแต่ถ้าขาดเค็มก็ขาดไอโอดีนนั่นเองนะหาความเหมาะสมให้เจอก็แล้วกันเพราะทานนั้นเป็นบันไดแห่งพระนิพพานเพราะว่าเป็นเบื้องต้น ถ้าคนมีบุญมีการให้มาดีก็ชีวิตก็จะพาสุขถ้าหากว่าอย่างหลายๆท่านเนี่ยนะถ้าไม่มีฐานะระดับหนึ่งที่จะมานั่งมีเวลาฟังธรรมไม่พอรอกจะต้องรีบไปทำงานแล้วเพราะงั้นไ ม, ม่ไม่รู้ว่าเที่ยงนี้จะทานอะไรเย็นนี้จะทานอะไรพรุ่งนี้จะทานอะไรต่อไปบ้านไม่รู้เขาจะมายึดเอาเมื่อไรผ่อนก็ยังไม่เสร็จ ถ้าบุญไม่พอเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะนั่งฟังธรรมได้สบายๆมาตรึกธรรมะนี้กุศลนี้อกุศลนี้อพยากตะนี้โอ้ยนี้ขันนี้ธาตุนี้อายตนะนี้อริยสัตว์มีเวลาสากอย่างรอว่าจะอาบเหงื่อต่างน้ำนั่นแหละถ้าทานไม่ให้บาปไปทำซะอีกแหบไปกันใหญ่เลย